สิ่งหนึ่งที่มักจะตามมาพร้อมกับความพรัองพร้อมทางวัตถุและการเจริญทางเศรษฐกิจนะก็คือมลภาวะโดยเพราะมละภาวะในอากาศนี้เกี่ยวข้องกับเรียกว่าคนทุกคนเลยก็ว่าได้ที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆที่มีความสุดกสบายมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างนี้เราก็พบแล้วนะว่ามลภาวะเนี่ยมันทำให้เกิดโรคหลายอย่าง เช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจโดยเพราะ PM 2.5 ็ม้นี่เป็นตัวการสําคัญนะที่คนเนี่ยเพิ่งเริ่มจะตระหนักถึงโทษของมันอย่างเกิดพูดไปแล้วว่าเนี่ยพีเอนี่มันมีส่วนมากนะในการทําให้คนเป็นมะเร็งปอดทั้งที่ไม่ได้สูบบุหรี่เลยเดีย๋ยวนี้เราพบว่าเนี่ยหลายคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่เลยนะเป็นมะเร็งปอด มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะตอนนี้เขาก็พบว่าเป็นเพราะไอ้ปุนละอองเนี่ยที่เราพ m 2. อมุด้ามันเล็กมากนะีสามารถจะเข้าไปสู่กระแสเลือดหรือเข้าสู่ลมหายใจเข้าสู่ปอดได้แล้วพอถึงปอดแล้วมันก็ไปไหนตอนไหนเยอะแยะอันนี้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ทําให้เป็นหรือกระตุ้นให้เกิดเป็นมะเร็งปอดหรือว่าโรคอื่นๆนะ ที่น่าตกใจย่างกวนั้นไงก็คือเมื่อไรเราเนี่เพราะว่ามันมีส่วนนะทำให้คนเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นรวมทั้งปลักตันให้คนเนี่ยฆ่าตัวตายามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะอันนี้น่าสนใจแต่ว่าตอนนี้นี่เขาก็พบว่ามันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างมากนะยางมีนักวิยาศาสตร์ในอเมริกาเนี่ก็ศึกษาอย่างละเอียดเลยนะ ตามเมืองต่างๆในอเมริกาแล้วก็เขาพบมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างระดับความเข้มข้นของ PM 2.5 นะกับคนที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าแล้วก็คนที่พยายามฆ่าตัวตายนี้เขาเห็นความสัมพันธ์อย่างชัดเจนนะแล้วก็สถิติมันก็เชื่อมมาเลยนะว่าเนี่ยเพียงแค่ วันไหนนะมันมีพ m 2.5 เพิ่มขึ้นแค่1ไมโครกรัมนะต่อหนึ่งลูกบาศเมตรเนี่ยมันก็มีส่วนทำให้คนเนี่ยเกิดอารมณ์แปรปรวนนะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ไปทั้งเดือนเนี่ยข้อพวกมันมีสถิตินะว่าคนที่พยายามฆ่าตัวตายเนี่ยมันเพิ่มขึ้น 50% เลยถ้าพ m 2.5 นี่มัน เพิ่มขึ้นเพียงแค่1ไมโครกรัมนะใน1วันแต่ว่าต่อเนื่องกันถึง3ต่อ 1- ถึง30ิวันนี้ก็ทำให้คนเนียมีความพยายามฆ่าตัวตายนี่เพิ่มขึ้น 50% แลว้วก็เพราะว่าเนียในพื้นที่ไหนก็ตามนะที่มีพียม 2.5 เนี่ยสูงถึง35ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรนี่คนจะไปหลอกซึมเศร้าก็เพิ่มขึ้น โรคซึมเศร้านะกับการเข้าตัวตายนี่มันก็สัมพันธ์กันมากเนาะตัวเลขนี่ที่เขาศึกษาเนี่ยจเยจาะเลือดเจาะเปรียบเทียบเลยนะแต่ละเมืองแต่ละเมืองเมืองที่มีพีเอมสองุห้าน้อยคนก็เป็นโรคซึมเศร้าน้อยคนก็ค่าตัวตายน้อยเมืองที่มีพีเอมสองุด้ามากแล้วก็ต่อเนื่องคนก็ค่าตัวตายกันมากหรือพยายามค่าตัวตายมาก เช่นเีกการเป็นโรคซึมเศร้าก็เพิ่มขึ้นด้วยอันนี้มันเป็นความรู้ใหม่นะที่น่าสนใจถ้ามันเป็นถ้ามีการยืนยันแบบนี้หลายจากหลายรายงานจากงานวิจัยต่างๆนะมันก็ยิ่งทำให้เห็นเลยนะว่าไอ้ีเอ็งนี่มันน่า ก, กลัวมากมันไม่ใช่ทำให้แค่เจ็บป่วยทางกายธรรมดานะมันทำให้ด้วยอาการป่วยทางจิตด้วยอันนี้มันสัมพันธ์ยังไงนะ เพีย 2.5 เนี่ยกับโรคซึมเศร้าเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยเพียม 2.5 นี่มันมันทำให้เกิดการอักเสบตามเอาย า, าต่างๆนะคล้ายๆว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเนี่ยเพียม 2.5 มันเล็กมากนะพอมันเข้าไปตามไปถึงปอดไปถึงหัวใจนะไปถึงสมองเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบนะ การอักเสบนี่ก็เป็นปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกันในร่างกายนะที่สู้กับสิ่งแปลกปลอมเวลามีเชื้อโรคเข้าไปเนี่ยอย่างโรคโควิดโรคซาเนี่ยเชื้อซาเนี่ยนะพอเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบขึ้นมาเพอภูมิคุ้มกันราราก็ไปต่อสู้กับเชื้อนี้พออักเสบเนี่ยก็จะมีสารตัวนึงออกมานะ เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งชื่อว่าไซโตไคนะ์ไอตัวนี้นี่มันมีผลนะต่อการทางานสมองผลก็คือทำให้อารมณ์แปรปรวนอารมณ์แปรปรวนนี่ก็ทำให้นะเกิดภาวะซึมเศร้าได้ตอนนี้ก็พบนะมันมีความสัมพันธ์ระหว่างความอักเสบการอักเสบในสมองนะกับโรคซึมเศร้า เพราะว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้ากินยาต้านหนักเสพนะหรือยาลดอักเสบนี่บอบว่าอารมณ์ดีขึ้นนี่มันมีงานวิจัยหลายชิ้นนะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้ากินยาแก้อักเสบเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นเลยแล้วเขาบอกว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยพอเขาไปไปทําการชันสูตรเนี่ยพบ ว, ว่ามันมีการอักเสบในสมองมากแล้วก็มีสารไซโตไคลเยอะ นะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นที่ชัดเจนนะว่าการอักเสบในสมองเนี่ยกับโรคซึมเศร้าอันนี้มันมีความเชื่อมโยงกันอยู่และถามว่าอะไรทำให้เกิดการอักเสบในสมองนะเขาก็เชื่อว่าใน PM เ5มสองจุด้านี่แหละเพราะว่ามันทำให้เกิดการอักเสบในที่ต่างๆหลายแห่งพอเป็นอย่างนี้เนี่ยนะ มันก็ทำให้ยิ่งชัดเจนเลยนะว่าเพียม 2.5 ้านี่มันเป็นภัยที่น่ากลัวมากมันไม่ใช่ทำให้คนป่วยเป็นมะเร็งท ำ, รทำให้คนเป็นโหัวใจทำให้คนเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือเราสตรอกนะแต่มันสามารถจะผลักดันให้คนนี่ฆ่าตัวตายได้เพราะว่าเกิดอารมณ์ซึมเศร้านะนตอนนี้เขาก็กำลัง ลณรงนะที่จะลดไอ้พ m เมสองจุดห้าเนี่ยซึ่งในกรุงเทพนี่มีเยอะมากนะขบนกันมากเลยนะว่าเนี่ยมสองจุดห้าในกรุงเทพแล้วในเมืองใหญ่ๆเช่นเชียงใหม่นี่สูงมากบางคนนี่ก็ถึงกับต้องใส่หน้ากากหน้ากากอนามัยนะไม่ใช่หน้ากากเพียงแค่ป้องกันโควิดนะแต่ว่าสามารถที่จะ กรองไอ้พีม 2.5 ไม่ให้เข้าไปกลับลมหายใจได้แต่คณะไม่พอนะมันต้องรนรงกันจริงจังนะถามว่าพีม 2.5 เกิดจากอะไรนะก็เชื่อว่าเกิดจากการเผาไหม้เผาไหม้น้ำมันเผาไหม้ทานหินหรือว่าการเผาไหม้ในไร่นาเผาป่าเงี้ยมันยังมีฝุ่นลอองเล็กๆหลายขนาดนะ ขนาดเล็กมากๆนี่เพียง 2.5 นี่มันก็เข้าไปในร่างกายได้เพราะว่ามันเล็กมากจมูกเรากรองฝุ่นเนี่ยขนาดใหญ่กว่านั้นได้แต่ขนาดเล็กกว่า 2.5 นี่มันกรองไม่ค่อยได้มันก็เลยเข้าไปสู่ปอดแล้วจับปอดนี่ก็กระจายไปสู่อะวรต่างๆแล้วก็ทำมันทำให้เกิดการอักเสบขึ้นในสมองนี่ก็ทําให้เกิด <c oughs> อารมณ์แปรปรวน <c oughs> เกิดโรคซึมเศร้า ฉันก็คงไม่ไ่าแปลกใจทำไมคนในเมืองเดี๋ยวนี้นะจึงมีภาวะซึมเศร้ามากแล้วก็ที่ค่าตัวตายคือเยอะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจจริงจังนะถ้าเราอยากจะใหะ้ชีวิตนี้มันมีสุขภาพดีขึ้นเนี่ยบางทีเป็นแค่ออกกำลังกายยังไม่พอนะหรือว่ากินอาหารที่ถูกสุกรณะยังไม่พอนะต้อง จัดการดูแลเรื่องอากาศเดือนถ้ามันมีมลพิษว่ามากไปมีพีเอมสอ้าเยอะเกินมาตรฐานอันนี้อันตรายนะมาตรฐานขององค์การธรรมาลอนี่เขาแค่ห้าไมโครก ร, รัมเท่านั้นนะถึงนี่เรียกว่าปลอดภยัยถ้าสูงกว่า น, นี้เนี่ยไม่ปลอดภัยแล้วของบ้านเรานี่โมันเกิน30มสิบสีิบก็ไปเยอะเลยนะในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่แต่ถ้าปล่อยให้มัน เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่คงจะแย่แน่ๆน ะ, นะทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจ